มาตราตัวหนึ่งมาตราช่างหนึ่งมาตรารูปิยะหนึ่งวิธีนับมาตราเหล่านี้ในคัมภีร์ทั้งหลายกล่าวแผกเพี้ยนกันก็มียิ่งแก้ละเอียดก็ยิ่งฟันเฟือยข้าพเจ้าจะแสดงในที่นี้พอควรแก่ต้องการเท่านั้นมาตราเวลาหลักแห่งมาตรากําหนดเอาอาการเวียน แห่งพระอาทิตย์รอบโลกครั้งหนึ่งเป็นวันหนึ่งนับตั้งต้นแต่เห็นแสงพระอาทิตย์เรื่อๆซึ่งเรียกว่าอารุณมีทั้งวิธีกระจายออกและวิธีพนวกเข้าจะกล่าวเฉพาะวิธีหลังกำหนดตามโคจรแห่งพระจันทร์ดังนี้ส5ห้าวันบ้าง14วันบ้างเป็นหนึ่งปักสองปักเป็นหนึ่งเดือน 4เดือนเป็นหนึ่งฤดูสามฤดูเป็นหนึ่งปีพึงรู้อธิบายดังนี้พระจันโคจรรอบโลกหนึ่งหนใน29วันครึ่งจะนับ29วันเป็นเดือนก็หย่อนไปจะนับส0สิวันเป็นเดือนก็ยิ่งไปจึงต้องนับห9วันเป็นสองเดือนแล้วแบ่งเดือนหนึ่งให้มีสาสิบวัน อีกเดือนหนึ่งให้มี29วันเพราะเหตุนั้นปากหนึ่งจึงมีสิบห้าวันบ้างส4ี่วันบ้างในชั่วพระจันทร์โครจรรอบโลกนั้นถึงจากราศีห่างจากพระอาทิตย์ออกเพียงใดก็ยิ่งสว่างขึ้นเพียงนั้นจนลาเห็นสว่างเต็มดวงเรียกว่าพระจันทร์เพ่น วันที่พระจันทร์สว่างเต็มดวงนั้นเรียกว่าวันปูรณะมีหรือบูรณะมีหรือวันเพนปากที่พระจัจนทร์โคจรห่างจากพระอาทิตย์นั้นเรียกสุคนลปักแปล ว, ว่าซีกสว่างตั้งแต่วันปูรณะมีไปพระจัจนทร์โคจรเข้าหาพระอาทิตย์ทุกทีระสมีค่อยมืดเข้า จนลับแลไม่เห็นดวงเรียกว่าพระจันทร์ดับวันที่พระจันทร์ดับนั้นเรียกว่าวันอมาวสีแปลว่าดิถีเป็นที่อยู่ร่วมแห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์หรือเรียกว่าวันดับปากที่พระจันทร์โคจรเข้าหาพระอาทิตย์นั้นเรียกกาลปักแปลว่าซีกมืด สองปากนั้นนับเป็นหนึ่งเดือนเดือนนั้นตั้งชื่อตามดาวฤกษ์ที่ว่าพระจันท์โคโจร ถ, ถึงในวันเพนเวลาเที่ยงคืนดังนี้มาคาซิรามาดเดือนอ้ายคือเดือนหนึ่งอุตสมาดเดือนยี่คือเดือนสองมาคามาดเดือนสาม ภคุณมาตยเดือนสี่จิตตมาตยเดือนห้าเวสาคามาตยเดือนหกเชตธรมาตยเดือนเจ็ดอาสัลหมาตยเดือนแปดสาวนมาตยเดือนเกพัทธปทมาตยเดือนสิบอัสยุชะหรือประถมกติกามาตยเดือนสิบอด กติกามาศเดือนส2องเดือนอะไรมีวันส0สเดือนอะไรมีวัน29และวันขาดตกอยู่ในปากอะไรนั้นไม่ปรากฏในบาลีรังอธิฐฐกถาจัดเดือนขาดมี29วันเดือนท้วนมี30สิบวันอย่างละหกเดือนแต่ไม่ได้ความชัดว่าวางสลับกันเหมือนที่เคยใช้ในเมืองเรา ในฝ่ายจีนมีเดือนขาดเดือนท่วนเหมือนกันแต่ไม่วางสลับเป็นแต่ปีหนึ่งคงมีเดือนขาดหกเดือนเท่านั้นครั้งพุทธกาลหรือครั้งรจนาพระบาลีนับกาลปักเป็นต้นเดือนสุกลาปักเป็นปลายเดือนตลอดมาถึงพุทธศต1 2 0ษปีล่วงไปแล้วดังปรากฏในระยะทางของภิกษุจีนชื่อหวนชาง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 แต่ในบาลีกล่าวปวารณาไว้ทั้งวันที่14ทั้งวันที่15หถ้าวางเดือนขาดเดือนทวนสลับกันอย่างใช้ในเมืองเราอย่างก่อนวันปวารณาคงมีแต่วันที่14อย่างหลังคงมีแต่ในวันที่15บหาบางทีการนับปักจะมีวิธีอย่างอื่นกระมังเช่นวางเดือนขาดไม่สลับกับเดือนทวนหรือเพ่งวันปวารณา ที่ชักลากออกไปอีกปากหนึ่งด้วยเช่นในแรมเดือนสิบเอ็ดตามอย่างใช้ในเมืองเราวันปวารณานั้นเป็นวันที่สิบสี่รือดูสามมีชื่ออย่างนี้หนึ่งเอมันตารือดูฤรือดูหนาวตั้งต้นแต่เดือนมาคาสิระ แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองของเราสองขีมหาฤดูฤดูร้อนตั้งต้นแต่เดือนจิตตะแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ของเราสาวัสสานฤดูฤดูฝนตั้งต้นแต่เดือนสาวะนาแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปดของเรา ขึ้นต้นปีเมื่อถึงเดือนมาคาศิระต้นฤดูหนาวไม่ได้นับศกเป็นแต่สังเกตฤดูฝนเช่นอุปสมบทลวงฤดูฝนได้เท่าใดก็นับว่าได้เท่านั้นฝนคือพรรษานับการตามลำพังจันทราคติไม่ได้เพราะความเป็นไปแห่งธรรมดาเช่นฝนชุกแห้งผากผ ล, ลไม้ผลอิงสุริยะคติทั้งนั้น ถ้านับตามจันทรคติเสมอไปฝนตกก็ดีวายฝนก็ดีผลไม้ผลเล็ดก็ดีย่อมจะโยะไม่ตรงฤดูเพราะฉะนั้นจึงต้องนับจันทรคติให้อิงสุริยคติด้วยพระจันโคจรได้12บสองรอบจัดว่าปีหนึ่งคือส2บสองเดือนได้วันส5 4อห้าี่วัน พระอาทิตย์โคจรหนึ่งรอบจัดว่าปีหนึ่งได้วัน365ห้าวัน6นาฬิกาเศษผิดกัน11ดวันเศษสาปีเหลื่อมกันกว่าเดือนเพื่อจะไม่ให้เคลื่อนคลาดกันมากนักจึงต้องเติมเดือนพระจันทร์ขึ้นหนึ่งเดือนในปีที่สามบ้างที่สองบ้างรวมเป็นส3บเดือน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 หรือเพิ่มที่ท้ายฤดูร้อนเสมอไปเหมือนอย่างในประเทศเราไม่ปรากฏ